สมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักคีใช้เชิงบาทชนิดต่างๆคือทําด้วยทองคําทําด้วยเงินคนทั้งหลายตําหนิประนามโพท น, นาว่าฉไหนพวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรจึงใช้เชิงบาทชนิดต่างๆคือทําด้วยทองคําทําด้วยเงิน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 สมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักคีใช้เชิงรองบาทสวยงามตรการตามีลวดลายเป็นรูปภาพเที่ยวเดินอวดไปตามถนนคนทั้งหลายตำหนิประนามพลทนาว่าชไหนพวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรจึงใช้เชิงรองบาทสวยงามตรการตามีลวดลายเป็นรูปภาพ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 ต้องอาบัตทุกกฏภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเชิงรองบาทชนิดธรรมดา